สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่12ข้อที่25จนถึงข้อที่33ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครั้งนั้นเยลรลวอัมทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองเชคเคมในแดนเทือกเขาเอฟอัฮิมและประทับที่นั่นจากที่นั่นทรงไปสร้างเมืองเปเนเอล เยโรบออมดำริ er ว่าบัตรนี้ราชันจักรอาจจะหวนกลับไปยังราชวงศ์ดาวิดก็ได้หากประชากรเหล่านี้ไปถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารขององค์ผู้บป็นเจ้าในเยรูซาเล็มพวกเขาก็จะกลับไปสวามิภักดิต่อกษัตริย์เรโหโบอัมแห่งยูดานายของเขาเขาจะฆ่าเราและหันกลับไปหากษัตริย์เรโหโบออมหลังจากขอคำแนะนาของที่ปรึกษาแล้วกษัตริย์เยโรบออม จึงทงสร้างลูกอัวทองคำสองตัวและแจ้งประชากรว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปที่จะดั้นด้นไปถึงกรุงเยรูซาเลม็มพี่น้องอิสราเอลทั้งหลายนี่แหละแค่พระเจ้าของท่านซึ่งได้นําท่านออกมาจากอียิปต์พระองค์ทรงตั้งลูกอัวทองคําตัวหนึ่งไว้ที่เบดเอลอีกตัวหนึ่งไว้ที่ดานสิ่งนี้ได้กลายเป็นบาปเพราะเหล่าประชากรยังอุตส่าห์ไปถึงเมืองดานเพื่อนำมาสการลูกอัวทองคําที่นั่น เยโรโวอั er am, ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายและทรงแต่งตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภทแม้พวกเขาไม่ใช่คนเลวีพปรงทรงกำหนดเทศกาลฉลองในวันที่15เดือนที่8คล้ายคลึงกับเทศกาลในยูดาห์และถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชากษัตริย์ทรงทำเช่นนี้ในเบดเอลคือถวายบูชาแก่ลูกวัวที่ทรงสร้างขึ้น พระองค์ยังได้ทรงแต่งตั้งปุโรหิตประจําศาลบูชาบนที่สูงทั้งหลายที่ทรงสร้างที่เบตเอลในวันที่15เดือนที่8เป็นวันที่พระองค์เองทรงกําหนดไว้เพื่อทรงถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาที่สร้างขึ้นในเบตเอลดังนั้นจึงทรงกําหนดเทศกาลฉลองนี้แก่ชนอิสราเอลและเสด็จขึ้นไปยังแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องบูชาพี่น้องครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คนที่ รู้บัญญัติประการนะครับก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนตกใจครับว่าไหายนะมาถึงอิสราเอลแล้วแล้วจริงๆก็เป็นเช่นนั้นครับเยโรโบอัมนั้นทําผิดบาปอย่างมหันท่านทําความผิดบาปมหันหลายประการด้วยกันจนทําให้ชาวอิสราเอลหันเหออกจากทางของพระเจ้าแทนที่จะหันกับมหาพระองค์และก็ยังเป็นผู้ที่หวน ความขมขืนไว้ในประเทศนี้ตลอดเวลาที่ประเทศนี้ยังมีความเป็นประเทศอยู่มีกษัตริย์ครอบครองถึง20องค์ประเทศอิสราเอลฝ่ายเหนือนี้หน้าเสียดายเสียใจมากครับเพราะว่า20องค์นั้นไม่มีกษัตริย์ที่ดีสักองค์เดียวเลยครับไม่มีกษัตริย์ที่ดีที่ฝักใฝ่พระเจ้ารักพระเจ้านําคนอิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นหันกลับมาถวายบูชาหันกลับมา ให้ความเคารพยำเกรงในพระเจ้าไม่มีเลยครับไม่มีสักคนเดียวที่หันเหจิตใจพระจักรกรให้กลับมหาพระเจ้าเลยบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย20่องค์ที่ครอบครองอิสราเอลนั้นมีหลายราชวงศ์แต่ไม่มีใครที่เป็นกษัตริย์ที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้ามีแต่กษัตริย์ที่นําความชั่วร้ายนําการกลับไว้ลูกเคารพนําการไม่เชื่อฝังพระเจ้ามาถึงชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับแท้จริงแล้ว ถ้าเราหาันกลับมาดูชีวิตของเยโรโบอัมนั้นเขาน่าจะเป็นภาชนะแห่งพระพรของพระเจ้าสําหรับอิสราเอลเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้สัญญาไว้ว่าเชื้อสายของท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ในข้อที่11ถ้าท่านเชื่อฟังพระเยโฮวาถ้าท่านเชื่อฟังพระเยโฮวาเชื้อสายของท่านจะตั้งมั่นคงอยู่พี่น้องนั่นคือโอกาสที่เปิดขึ้นให้กับเยโรโบอัมครับแต่เยโรโบอัมนั้นไม่เลือกทางนี้ เขาเลือกที่จะไปหาที่ปรึกษาแล้วก็ทําตามที่ปรึกษาก็คือสร้างลูกอัวทองคาขึ้น2ตัวแล้วก็ตัวหนึ่งไว้ที่เมืองเชเคมอีกตัวหนึ่งก็ไว้ที่เผ่าดานซึ่งอยู่ทางเนื้อสุดครับพี่น้องครับการที่วิใช้วิธีแบบนี้นั่นดูเหมือนว่าเป็นอุบายที่ไม่ใช่เป็นกุศลครับผมใช้คําว่าอะ กุสโลบายครับก็คือเป็นอุบายหรือนโยบายที่ไม่เป็นกุศลคือพยายามที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นโดยการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับวิธีการต้องถูกต้องครับผลลัพธ์จึงจะถูกต้องแต่วิธีการที่ชั่วร้ายครับเพราะว่าปรารถนาหรือต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจชนอิสราเอลสิบเผ่าเหนือที่จะ ป้องกันไม่ให้เขาเดินทางไปที่เยรูซาเล็มกลัวว่าเมื่อเขาเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มเขาจะมีใจฝักใฝ่ ก, ฝ ก, กับราชวงศ์ของดาวิดต่อไปถามว่าทำไมคนอิสราเอลต้องเดินทางไปที่เยรูซาเล็มครับก็เป็นธรรมเนียมและบัญญัติก็คือว่าในปีหนึ่งเนี่ยวันนะครับครั้งสมเทศกาลที่เขาจะต้องเดินทางไปเยรูซาเล็มครับเดินทางไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปถวาย บูชานะครับในวัน Passover ก็คือวันปัสคาครับแล้วก็วันเพนเทคสเตก็คือการถวายผลแรกแล้วก็เทศกาลอยู่เพิงคือเทศกาลที่ระลึกถึงชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์อยู่เพิงอยู่เต็นท์ดีน้องครับสามเทศกาลนี้นครับเป็นสามเทศกาลที่ผู้ชายชาวอิสราเอลทุกคนครับต้องเดินทางไปที่เยรูซาเล็มเพื่อทาการถวายบูชา นั่นเป็นบทบัญญัติของโมเสสที่ได้บัญญัติไว้แต่ว่าเยโรโบอัมนั้นมาถึงตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเลือดจะเข้าตาครับคือควักเอาวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องมาใช้จนกระทั่งในที่สุดนั้นพวกเขาและกษัตริย์องค์ต่อๆมาไม่มีเหลือเลยครับที่อยู่ในทางของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เยโรบอรมันสร้างสถานการณ์และบอกประชาชนว่าการเดินทางไปกรุงเยโรเซมลำบากเกินไปคนที่เชื่อฟังเยโรบอรนั้นก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแม้ความคิดบางอย่างจะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่ก็อาจจะนำเราออกห่างจากพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้ใครชักจูงเราให้เลิกทำสิ่งที่ถูกต้องครับอย่าคิดว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมตามบทบัญญัติของพระเจ้านะั้นไม่คุ้มค่า กับความยากลำบากครับให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าต้องประสงค์เป็นน้ำมันไทยของพระเจ้าเถิดครับไม่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาต้องสิ้นเปลืองกำลังอาจจะต้องรู้สึกเปลืองตัวในบางครั้งเอาชื่อเสียงของตัวเองเอาเร a t i o n ของตัวเองนั้นมาเสี่ยงหรือจะต้องใช้ทรัพยากรมากเพียงใดก็ตามพี่น้องครับจงทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ว่าจะต้อง ใช้แรงใช้เวลาใช้ชื่อเสียงของเราใช้ทรัพยากรมากมายมาแลกเอายกตัวอย่างเช่นเราควรจะต้องประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้านำวิญญาณมาเชื่อพระเจ้ามากมายเราจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับสูญเสียเวลาเสียสละกาลังของเราเอาชื่อเสียงของเราหรือทรัพยากรของเราเนี่ยเข้าไปแลกพี่น้องครับ หลายหครั้งทีเดียวเราไม่ยอมแรกเพราะอะไรครับเพราะกลัวเสียของแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องให้กำลังใจครับว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้นตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นจะไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่ตกเป็นของอนิจจงพระเจ้าจะทรงนับไว้ทั้งหมดครับแต่หากว่าเราทำตามวิธีการของเราไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าเราทำตามความประสงค์ของเราแทนที่จะเป็นความประสงค์ของพระเจ้า นั่นแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าจะเสียของครับเสียของแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทำตามใจของเราเองพีองครับหลายคนนั้นได้ทำการให้บางสิ่งบางอย่างออกไปแต่ไม่ใช่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับไม่ใช่ตามน้ำพระทยของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใช้สิ่งของของเราและวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกไม่ต้องนั้น เยโรโวอาร์มนั้นฉลาดมากครับถามว่าทําไมฉลาดครับเพราะว่าลูกวัวทองคํานั้นเป็นรูปเคารพที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และพลังกาลังเทพเจ้าของชาวคาณาอันมักจะเป็นรูปวัวทองคาหรือวัวในท่ายืนที่ฉลาดก็คือว่าเขาตั้งไว้ที่เบตเอลและดานซึ่งเป็นทําเลยุทธศาสตร์ครับเบตเอลนั้นอยู่ห่างจากเยอเซมไปทางเหนือประมาณ16กกิโลเมตรบนถนนสายหลักเลยครับ ประชาชนในอันจากเหนือจึงถูกลวงให้หยุดอยู่ที่นั่นและแทนที่จะเดินต่อได้เดินต่อไปที่กรุงเยรูซาเล็มดานก็เป็นเมืองเหนือสุดของอิสราเอลเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาดักไว้ที่ใต้สุดและเหนือสุดเลยครับประชาชนทางเหนือใกล้กับเยรูซาเล็ม<ๆ>ก็ถูกจูงใจด้วยความสะดวกสบายไปที่ดานง่ายกว่าเห็นไหมครับพี่น้องครับในฐานะของผู้นำเยรูซามต้องการตั้งศูนย์กลางการนับราชการของตัวเองขึ้นถ้าเขาไม่ตั้งศูนย์กลาง การนมิษการขึ้นมาประชาชนก็จะลงไปที่เยรูซาเล็มครับพี่น้องครับนั่นคือศาสนาใหม่นั่นคือศานนอ ส, สนาใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่ใช่เป็นศาสนาที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาแล้วนั่นคือหหยนะครับเขาปัดพระเจ้าทิ้งไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้พระกัมภีไม่ใช่เขาไม่มีประสบการณ์แนดีแต่เขาจงใจที่จะปัดพระเจ้าทิ้งเพื่อที่จะได้ประโยชน์จาก สิ่งต่างเหล่านี้ครับขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะเห็นบทเรียนจากเยโรวัมและเราจะไม่ทำตามและมีชีวิตที่ห่างจากสิ่งเหล่านี้ครับอาเมน